คนเราความสำคัญอยู่ที่ใจคนเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่ร่างกายไม่ได้อยู่ที่ฐานะการเงินการทองไม่ได้อยู่ที่ตำแหน่งอยู่ที่โยศฐานาสักไม่ได้อยู่ที่รางวัลที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทองโอลิมปิกหรือรางวัลตุ๊กตาทองคนเราดีไม่ดีอยู่ที่ใจถ้าใจดีคนก็คนเราก็จะเป็นคนดีถ้าใจไม่ดีคนก็จะเป็นคนไม่ดีเพราะการจะดีแลอไม่ดีอยู่ที่การกระทำ ถ้าทำดีทำคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นกับละตนเองก็เป็นคนดีถ้าทำร้ายทำโทษแก่ผู้อื่นกับละตนเองก็เป็นการกระทาไม่ดีก็จะเป็นคนไม่ดีคนที่ถูกไปจับไปติดคุกติดตารางที่เป็นคนไม่ดีเพราะใจไม่ดี ใจคิดไม่ดีเลยสั um ่งให้ร่างกายพูดไม่ดีทำไม่ดีสั่งให้ร่างกายไปฆ่าผู้อื่นสั่งให้ร่างกายไปทำร้ายผู้อื่นสั่งให้ร่างกายไปรักทรัพย์ของผู้อื่นสั่งให้ร่างกายไปประพฤติผิดประเวณีสั่งให้ร่างกายไปโกหกหลอกลวงสั่งให้ร่างกายไปดื่มสุรายาเมาและสิ่งเสพติดทั้งหลาย พอมีการกระทาที่ไม่ดีก็เกิดโทษแก่ผู้อื่นผู้กระทาก็เลยเป็นคนไม่ดีไปต้องถูกจับต้องถูกแยกออกไปอยู่นอกสังคมของคนดีคือต้องไปอยู่อีกสังคมหนึ่งคือสังคมของคนไม่ดี ก็คือไปติดคุกติดตารางคนเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ใจใจเราจะดีไม่ดีอยู่ที่ธรรมะถ้ามีธรรมะใจเราจะดีถ้าขาดธรรมะใจเราจะไม่ดีธรรมะคืออะไรที่ทําให้คนดีธรรมที่ทําให้คนดีก็คือ พรหมวิหารสี่เมตตาการุณามุดิตาอุเบกขาผู้ที่มีพรหมวิหารสี่จะคิดดีเมื่อคิดดีก็จะพูดดีทำดีเมื่อพูดดีทำดีก็เกิดคุณเกิดประโยชน์กับผู้อื่นผู้อื่นก็ได้รับความสุข ผู้กระทำก็จะเป็นคนน่ารักน่าชื่นชมยินดีเป็นที่รักของคนทั้งปวงอยู่ที่การกระทำอยู่ที่คุณธรรมที่มีอยู่ในใจสี่ประการนี้คือเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาการที่เราจะ มีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาได้เราต้องศึกษาว่าเมตตาคืออะไรกรุณาคืออะไรมุติตาคืออะไรอุเบกขาคืออะไรถ้าเราไม่รู้เราก็จะไม่สามารถปลูกฝังสร้างเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาขึ้นมาได้เหมือนกับ ถ้าเราอยากจะได้ผลไม้เราก็ต้องรู้จากวิธีปลูกต้นผลไม้ต่างๆอยากได้กล้วยก็ต้องรู้จากวิธีปลูกกล้วยอยากจะได้ส้มอยากจะได้ผลไม้ต่างๆก็ต้องไปศึกษาวิธีต้องไปหาผลไม้ชนิดนั้นมาจากที่ไหนต้องการปลูกกล้วยไปหาซื้อไปหาพันธุ์กล้วยที่ไหนไปหาพันธุ์ส้มที่ไหน เราก็ไปถามพวกที่เขาปลูกกล้วยปลูกสม้มจนมีฐ า, านะร่ำรวยก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะปลูกฝังปลูกผลไม้ที่จะเจริญงอกงามให้ดอกให้ผลเพื่อที่จะนำมาไปขายเป็นรายได้ คุณธรรมทั้งสี่ประการนี้ก็เป็นเหมือนผลไม้สี่ชนิดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนที่อยากจะเป็นคนดีให้เป็นให้คนที่อยากจะมีความสุขจากการเป็นคนดีให้ปลูกฝังเมตตาการุณาผุ้ิตาอุเบกขา ขั้นต้นเราก็ต้องรู้ว่าเมตตาคืออะไรเมตตาก็คือความปรารถนาดีต่อผู้อื่นเมตตาเมตตาไมตรีจิตเนี่ยเมตตาก็คือไมตรีจิตการมีความคิดที่ดีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุขปรารถนาไม่ให้ผู้อื่นมีความทุกข์เนี่ย นี่คือความเมตตาแล้วเราก็ต้องศึกษาวิธีว่าทำอย่างไรถึงจะเป็นการกระทํามที่เมตตาการกระทํามที่จะทำให้เกิดความเมตตาขึ้นมาก็หนึ่งการไม่จองเวรจองกรรมกันอาเวลาโหนตุสัพเพสัตตาอเวลาโหนตุไม่จองเวรจองกรรมกับใคร ใครเขาจะทำอะไรถูกใจหรือไม่ถูกใจทำให้เราเกิดความทุกข์ใจทำให้เราเกิดความเสียหายเราจะไม่จองเวรจองกรรมเขาจะไม่กลับไปทำร้ายเขาเขาทำร้ายเราเราจะไม่ทำร้ายเขาเราจะให้อภัยเพราะการให้อภัย เป็นวิธีที่จะทำให้เราเป็นคนดีถ้าเราไม่ให้อภัยเราจะกลายเป็นคนไม่ดีไปยกตัวอย่างเมื่อไม่กี่ปีมานี้เรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเผาสถานทูตพวกขเขมรเขาไปเผาสถานทูตไทยคนไทยก็ โกรธจะไปเผาสถานทูตเขมรที่กรุงเทพในหลวงราัชาการที่เก้าท่านบอกว่าอตอนนี้เราเป็นคนดีนะเราไม่ได้ไปเผาสถานทูตเขาพอเราไปเผาสถานทูตเขาเราก็จะกลายเป็นคนไม่ดีขึ้นมาก็ไม่ดีเท่าเขาเขาไม่ดีก็ปล่อยเขาไม่ดีไปเรื่องอะไรเราจะต้องไปไม่ดีกับเขาด้วยเราโง่หรือเราฉลาดะ คนฉลาดก็ต้องเป็นคนดีต้องรักษาความดีของตนไม่ใช่ทำลายความดีของตนด้วยการเอาเยี่ยงอย่างของคนไม่ดีคนไม่ดีเขาทำร้ายเราเราก็ไปเอาเยี่ยงอย่างเขาเราก็ไปทำร้ายเขาเราก็เลวเท่ากับเขาแต่ถ้าเราไม่ไปทำร้ายเขาเราก็ยังเป็นคนดีเพราะเราไม่ได้ทำความไม่ดี เราไม่ได้ทำอะไรที่เลวร้ายนี่ก็คือเอาเวลาก็คือให้เฉยๆให้รักษาความดีไว้อย่าไปทำไม่ดีเพื่ อ, อเพื่อที่จะทำให้เราสบายใจมันไม่สบายใจหรอกการไปทำไม่ดีกับสร้างความไม่สบายใจให้เกิดเพิ่มขึ้นอีกเสียได้ซ้าไปพราพอเราไปทำเขาแล้วเราก็จะไม่สบายใจ เราก็จะกลัวเขาจะกลับมาทําเราอีกเเขาทําเราเราไปทําเขาถ้าเราไม่ทําเขาเราสบายใจเราอยู่เฉยเฉยเราคิดว่าสิ่งที่เขาทามันก็ทําไปแล้วเกิดไปแล้วเราพยายามหักห้ามใจเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจมองโลกในความเป็นจริงว่าออยู่ในโลกนี้มันก็มีเอ มีดีบ้างไม่ดีบ้างมีเหตุการณ์ที่เกิดที่จะเป็นภัยเป็นอันตรายกับเราบ้างเป็นธรรมดาอยู่ในโลกนี้มันมีภัยรอบด้านบางทีก็ภัยจากน้าท่วมก็มีภัยจากไฟไหม้ก็มีไฟจากขโมยขึ้นบ้านก็มีไฟจากคนที่เรารู้จักภัยเกิดจากคนที่เรารู้จักกันก็มี พพูดอะไรไม่ดเีเขาก็ไม่พอใจขึ้นมาเขาก็อาจจะมาทำร้ายเราเราก็ไม่มีเจตนาที่จะไปทำร้ายเขาแต่บางทีเราก็ ท, ทั้งพาทั้งพาดพูดอะไรไม่ดีพูดแล้วทำให้เขาไม่พอใจขึ้นม า, าแต่วิธีที่จะแก้ปัญหาก็คืออยู่เฉยๆอย่าเขาทำอะไรเราเราก็ ก็อย่าไปตอบโต้ทำดีกลับไปเขาทำร้ายกลับมาให้ทำดีกลับไปถ้าให้อภัยได้ก็ให้อภัยถ้าให้ทำทำดีกลับได้ก็ยิ่งดีใหญ่เขาทำร้ายเราก็ไปซื้อขนมเค้กไปฝากเขาห้ทำอะไรเราไปที่ไหนมาซื้อของมาฝากเขาแทนที่จะไป ทำร้ายเขาเรากลับทำความดีเอาความดีชนะความเลวร้ายของเขาดีกว่าอันนี้คือเอาเวลาโหนตุอย่าอย่าไปจองเวรจองกรรมกันอย่าไปทำร้ายเขาเขาทำร้ายเราก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เป็นเรื่องสุดวิสัยเขาอาจจะอารมณ์ไม่ดีหรือเขาอาจจะไม่มีความตั้งใจ บางทีเขาไม่ได้ตั้งใจพอดีมันเราไปอยู่ในเหตุการณ์โดนโดนลูกหลงหิ่งก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถือว่ามันเกิดไปแล้วมันผ่านไปแล้ววิธีที่เราจะปฏิบัติกับเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วนี้ทำอย่างไรดีที่สุดก็คือเฉยไว้ให้สักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าอะไรเกิดก็เกิดไปแล้วเป็นอนิจจัง ถ้าเราปล่อยวางมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไปไม่ปล่อยจะเอาเรื่องเอาราวขึ้นมาก็เป็นวุ่นเรื่องวุ่นวายกันไปดีไม่ดีกลายเป็นสงครามฆ่ากันตาย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> เพราะไม่ยอมเขาทำร้ายเราเราไม่ยอมเราต้องกลับไปทำร้ายเขาพอไปทำร้ายเขาเขาไม่ยอมเขาก็กลับมาทำร้ายเราหนักขึ้นไปกะกะ่า เดี๋ยวทำไปทำมาก็ฆ่าฟันกันตายกันไปถ้าเราแผ่เมตตาคืออาเวลาโหนตุเฉยๆให้อภัยคิดว่าถ้าเป็นความสุขของเขาเราอยากจะให้เขามีความสุขอยู่แล้วก็ก็สาธุไปแค่นี้ก็จบเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเสียหาย แล้วเขาก็จะไม่กลับมาทำอะไรเราเรื่องก็จะจบใจเราก็เยจะเย็นจะสบายมีความสุขแล้วถ้าเราอยากจะสร้างมิตรภาพกับเขาก็นอกจากให้อภัยแล้วก็ยังสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีมีข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งปันกันมาแจกกัน ลืมเรื่องที่มันเกิดมาแล้วผ่านไปแล้วอันนี้ดีไม่ดีเราก็สามารถเปลี่ยนศัตรูมาเป็นมิตรได้นี่คือความเมตตาความเมตตานี้ต้องแผ่ด้วยการกระทาไม่แผ่ด้วยการสวดอย่างที่เราคิดกันพกเรามักจะคิดว่าหลังจากไหว้พระสวดมนต์เสร็จ นั่งสมาธิ์ก็ต้องแผ่เมตตาด้วยการสวดบทแผ่เมตตาตอนนั้นไม่ได้แผ่เพราะไม่มีเหตุการณ์ให้แผ่ไม่มีคนมารับการแผ่ของเราต้องแผ่ตอนที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต้องมีผู้รับการแผ่เมตตาของเราแล้วต้องแผ่ด้วยการกระทํเน ญาติโยมชาวพุทธเราส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดคิดว่าการสวดบทแผ่เมตตาเป็นการแผ่เมตตาไม่ได้เป็นการแผ่เพราะไม่มีผู้รับแล้วไม่มีการให้อะไรเป็นเพียงแต่การสวดเท่านั้นเองยังไม่ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาล้าสวดทาไมาที่สวดเพื่อให้เรียนรู้ว่าวิธีแผ่เมตตา มีอะไรบ้างทำอย่างไรบ้างสัพเพสัตตาเอาเวลาหนตุเราจะไม่มีเวรมีกรรมกับสัตว์ทั้งปวงสัตว์นี่หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายมนุษย์เดละฉานเทวดาเปรตผีเนี่เป็นสัตว์ทั้งนั้นเรียกว่าสัตตาสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวลาโหนตุ จงอย่ามีเวรกันเถิดเราจงอย่าไปมีเวรกับเขาเถิดเนีความหมายเป็นอย่างนั้นคนจะแปลอย่างนั้นมากกว่าเราอย่าไปมีเวรกับสัรสับประศัสต์ตั้งปวงเขาจะทำร้ายเราเขาจะทําอะไรให้เกิดความเสียหายให้กับเราให้อภัยเขาไปแล้วความโกรธในใจเราจะดับความโกรธนี่แหละเป็นตัวที่เราต้องการกําจัดไม่ใช่ต้องการส่งเสริม เวลาใครก็ทำร้ายเราเราจะโกรธแลว้วเวทีดับความโกรธก็คือต้องให้อภัยพอให้อภัยแล้วความโกรธก็จะหายไปใจจากใจที่เป็นนรกร้อนเป็นไฟก็จะกลับมาเย็นจากการที่จะไปเป็นผู้ร้ายก็จะกลายเป็นผู้ดีไปเพราะผู้ดีไม่ทำร้ายใครผู้ดีมีความเมตตา ต่อศัปะสัต ท, ทั้งปวงนี่ที่เราสวดบทเมตานี้มีอยู่สี่ข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งอเวลาโหนตุอย่ามีเวรมีกรรมกันให้อภัยกันอัปยาปชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกันอย่าเอารัดเอาเปรียบกันอย่ากันแกล้งกันอยา่า อย่าทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายอานิคาโหนตุอย่าให้เขามีทุกข์กายทุกข์ใจอย่าไปพูดไปทำอะไรแล้วทำให้เขาต้องมีความทุกข์กายทุกข์ใจเรียกว่าอานิคาโหนตุสุขีอัตานานปาริหารันตุขอให้เขามีความสุขมากๆทำอย่างไรให้เงินเขาสิ น้องดูให้เงินแล้วดูเขาจะสุขแล้วจะทุกข์วันนี้ถูกอัลีิมาขอแบ่งให้พี่ไปสักครึ่งอย่างนี้รับรองได้เขาจะรักเรายิ่งกว่ารักเมียรักผัวเขาเอง <c oughs> นี่คือการแผ่เมตตาถ้านั่งสวนไม่รับรองได้ไม่มีใครเขาจะมารักเราหรอกไม่มีใครเขาจะมา ต้องกระทำเวลาที่เราพบกับใครก็ตามเวลาเรามีเรื่องมีราวกับใครให้เราใช้เมตตาในในการพบปะสังสรรกันปฏิกิริยาต่อกันอย่าจองเวรจองกรรมกันอย่าเบียดเบียนกันอย่าทำร้ายร่างกายและจิตใจของกันและกันอย่าให้เอาความทุกข์ให้เขาบางทีก็ไปใส่ร้ายเขานี่ เราทำผิดแล้ว็ไปปัดว่าเราไม่ได้ทำปัดว่าคนนั้นทำนี่อันนี้ก็เรียกว่าไม่มีความเมตตาละแทนที่จะให้ความสุขกับเขากลับไปให้ความทุกข์กับเขาไปกล่าวลายเขา ท, ท, ทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำแต่เราก็ไปกล่าวลายเขานีให้เขาต้องไปรับเคราะห์กรรมอันนี้ไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตา พวกที่ชอบสวดแผ่เมตตานี้พอเวลาไปเจอเหตุการณ์จริงแผ่จริงหรือเปล่าเวลาใครเขาทาให้เราโกรธนี่แผ่หรือเปล่าสัพเพสัตตาเวลาหนนตุออกมาหรือเปล่าเอเวลาอยากได้ข้าวของแย่งกันนี่แผ่เมตตาหรือเปล่าแย่งตําแหน่งแย่งเงินเดือนแย่งสามีแย่งภรรยากันนี่ไอ้นี่แผ่เมตตาหรือเปล่า หเวลาไม่พอใจอะไรก็พูดให้เขาเสียใจหรือกลั่นแกล้งเขาให้เขาเจ็บยางรถเขาก็ไปเจาะให้ยางมันแตกกระจกก็ตีอันนี้แผ่เมตตาแล้วเปล่าแล้วพอกลับไปบ้านนั่งสวดมนต์เสร็จก็ไปนั่งสัพเพสัตตา <laughs> <laughs> แต่เวลาออกจากบ้านไม่เราเมตตาไปด้วยเลยเก็บไว้ที่บ้าน เก็บไว้ที่ห้องพระ น, น, นี่คือคุณธรรมถ้าเรามีความเมตตาแล้วเราจะเป็นคนดีอา น, นิสงส์ของการแผ่เมตตาท่านก็แสดงไว้ว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายก่อนจะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เทวดาก็ อ, อมนุษย์ทั้งหลายพวกที่ไม่เป็นมนุษย์เนี่ย จะเป็นที่รักของมนุษย์และอะมนุษย์อมนุษย์ก็ทุกสัตว์ทุกชนิดเดนี่ยเดรัฉานหมาก็รักเราเชื่อไหมถ้าเราแผ่เมตตาให้มันเลี้ยงมันดูเลยเลี้ยงมันนี่มันเจอเรามันจะกระดิกหางเลียเรามันรักเราเพราะเราเมตตามันเนี่ย ถ้าเรามีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงเราก็จะเป็นที่รักของสรรพสัตว์ทั้งปวงของมนุษย์ของเทวดาของอินพรหมของเปรตของอะไรทั้งนั้นแล้วก็จะมีเทวดาคุ้มครองแล้วก็จะมีความสุขเดินก็สุขหลับก็สุขนอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายแล้วจะไม่ตายด้วยอาวุธหรือ ย, ยาพิษ จะไม่มีใครเอาอาวุธมาฆ่าเราจะไม่มีใครเอายาพิษมาให้เรากินเพราะเราไม่ได้ไปทำให้ใครโกรธแค้นก่อกิเอสจะตายแบบธรรมชาติไม่ได้ตายด้วยอาวุธหรือยาพิษแล้วน่าจะมีหน้าตาผิวพรรณผ่องใสหน้าตาผิวพรรณผ่องใสถ้านั่งสมาธิจิตก็จะสงบง่ายแล้ว ถ้าตายไปถ้ายังบรรลไุไม่ถึงไม่ถึงธรรมขั้นที่สูงกว่าก็จะไปสู่พรมโลกนนี่คืออา น, นิสงส์ของการมีความเมตตามีแต่ประโยชน์มีแต่กําไรไม่ขาดทุนคนฉลาดเขาจึงแผ่เมตตากันแต่คนโง่กลับไปคิดว่าขาดทุนเขาด่าเราแล้วเราไม่ได้ด่ากลับนี่เราขาดทุนไหม เขาตีเราเราไม่ได้ตีเขานี่เราขาดทุนเขาไม่ได้ดูที่ใจเขาไปดูที่ร่งกายไปดูที่อกิริยาการกระทํำฟันต่อฟันตาต่อตานี่ยเขมองอย่างงี้เขาเอาตาเราเราก็ต้องเอาตาเขาเขาเอาฟันเราเราก็ต้องเอาฟันเขาถึงจะไม่ขาดทุนแต่เราไม่ดูที่ใจใจเราขาดทุน พอใจเราจะทุกข์ใจเราจะวุ่นวายใจเราจะเดือดร้อนแล้วจะต้องไปรับผลไม่ดีทั้งขณะที่มีชีวิตอยู่และขณะที่ตายไปขณะที่มีชีวิตอยู่ถ้าไปทำร้ายเขาเขาไปฟ้องศาลหรือไปหาเขานี่ตำรวจก็จับเราไปลงโทษไปติดคุกติดตารางตายไปก็ยังต้องไปติดคุกในอาบาย ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วเจ้าหน้าที่ของกฎแห่งกรรมก็จะมารับใจเราไปรับผลกรรมต่อไปอีกไปนรกเนี่ยผู้ที่ทำร้ายผู้อื่นทำบาปด้วยความโกรธนี่ไปนรกนถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเดลฉานไปเป็นเดลฉาน ถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็ไปเป็นเปรตทำบาปด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุรกายอันนี้ทำไมเราจึงควรจะมาแผ่เมตตากั น, น, นเพราะเราแผ่เมตตาแล้วเราจะเป็นคนดีเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งปวงอันนี้คือข้อที่หนึ่งของคุณสมบัติของผู้ที่มีความดีที่จะเป็นคนดี ถ้าเรามีความเมตตาเราจะคิดดีพูดดีทดําดีถ้าเราขาดความเมตตาเราจะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีใครทําร้ายเราเราก็จะคิดทําร้ายกลับไปใครเขาเ i, รักทรัพย์ของเราเราก็จะไปรักทรัพย์ของเข า, า น, นี่คือถ้ามีควา ม, มเมตตาแล้วจะมีแต่ความคิดที่ดีเมื่อคิดดีก็จะพูดดี แล้วก็จะทำดีเพราะการพูดกับการกระทำนี่มันเป็นลูกน้องพูดที่สั่งการคือผู้คิดคือความคิดความคิดดีก็จะสั่งให้พูดดีให้ทำดีความคิดไม่ดีก็จะสั่งให้พูดไม่ดีทำไม่ดีความคิดดีก็เกิดจากการมีความเมตตา ความคิดไม่ดีก็เกิดจากการไม่มีความเมตตานั่นเองร้เมตตาปราณีโหดร้ายทารุณนี่ผู้ที่มีความโหดร้ายทารุณนี่แสดงว่าไม่มีความเมตตาผู้ที่มีความเมตตาจะไม่โหดร้ายทารุณ น, นี่คือข้อที่หนึ่งถ้าเราอยากจะเป็นคนดีขอให้เราแผ่เมตตากันด้วยการกระทำ สวดด้วยแต่สวดเพื่อให้รู้ให้เข้าใจความหมายอย่าสวดแบบนกแก้วนกแก้วมันครับมันชอบพูดว่าแก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่มันไม่รู้ว่าแก้วจ๋าเป็นอะไรแก้วเป็นอะไรแล้วเอาแก้วให้มันมันเขี่ยทิ้งหมดเอากล้วยให้มันเนี่ยมันคว้ามับเลยพวกที่สวดแบบนกแก้วก็แบบนี้สวดแผ่เมตตาแต่พอถึงเวลาจะแผ่ไม่แผ่เนี่ย เพราะว่าไม่รู้คุณค่าของการแผ่เมตตาว่าดีอย่างไรกลับไปเห็นคุณค่าของการมีความโหดร้ายทารุณโหดเหี้ยมถึงใจเชื่อมันได้ถึงใจแต่ไม่รู้ว่าผลที่จะตามมาต่อจิตใจเป็นอย่างไรจิตใจจะไม่สบายใจตกต่ำเศร้าหมองหวาดกลัวไม่ตกกังวล ตายไปก็ต้องไปอยู่ในอบายไม่เห็นโทษทางจิตใจเห็นแต่ทางทางร่างกายว่าโอ้ได้ทำได้ล้างแค้นได้สิ่งที่เราอยากได้แย่งผัวแย่งเมียกันนี้คนที่ชนะโอ้ดีใจ <c oughs> แต่ไม่รู้ตัวเองไปสร้างสัตว์ตให้กับตัวเอง แล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาทำร้ายเรานครน้ำเน่ามันก็เกิดจากการไม่มีความเมตตาเนี่ยแย่งกันแย่งนู่นแย่งนี่กันแล้วก็ร้างแค้นกันอ <c oughs> นี่คือคุณสมบัติหรือคุณธรรมที่จะทำให้เราเป็นคนดีนคือหนึ่งความเมตตาสองการุณา คือความเห็นใจเห็นอกเห็นใจในความทุกข์ยากลำบากของผู้อื่นเห็นคนอื่นเขาตกทุกข์ได้ยากลำบากถ้าเรามีโอกาสมีฐานะมีกำลังที่จะบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้กับเขาได้เราก็ควรที่จะทำกันอย่าเอาสมบัติเข้าของเงินทองเก็บไว้เฉยๆไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้ แต่ถ้าเอามาสงเคราะห์กันมาบรรเทาความทุกข์ยากลำบากให้ต่อผู้ที่เขาเดือดร้อนผู้ที่เขาด้อยโอกาสกับเราคนเราเกิดมานี่มีโอกาสไม่เท่ากันโอกาสที่จะได้ความสุขได้อะไรต่างๆในโลกนี้มีไม่เท่ากันบางคนนี่มีโอกาสมากได้มามากใช้ไปร้อยชาติก็ไม่มีวันหมด เก็บไว้ก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรไปซื้อของหรูหราฟุ่มเฟือยก็ไม่มีประโยชน์อะไรซื้อก็เท่านั้นซื้อรถคันละสิบล้านกับซื้อรถคันละล้านมันก็รถเหมือนกันมันก็วิ่งไปไหนมาไหนได้เหมือนกันซื้อรถล้านกับสบายใจกว่าซื้อรถสิบล้านสิซื้อรถสิบล้านจะไปจอดที่ไหนก็บางทีก็ไม่ค่อยสบายใจ เกิดใครมือบอนเอาอะไรมาขีดหน่อยก็นะถ้ามีเงินทองใช้ให้เกิดประโยชน์กับจิตใจด้วยการทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นสงเคราะห์ผู้อื่นอย่าให้ความอยากมันมาหลอกเราว่าโอ้ยเรามีเงินเยอะเราต้องซื้อของแพงๆใช้ใช้ของหรูหราหรุยวิตองนี่ซื้อแบรนด์เนมต่างๆ มันก็เสื้อผ้าธรรมดานี่แหละแล้วก็ไปติดป้ายหน่อยว่าเป็นหลุยเป็นอะไรแล้วก็โอยกยอ ก, กันเวลาไทยเขาเห็นโอพี่ใส่หลุยเก๋เท่อันนี้เป็นความหลงคนฉลาดเขาเขาดูของใช้ดูที่ประโยชน์ที่จะได้รับจากของที่เขาใช้เขาไม่ได้ไปดูยี่ห้อมันหรอกเขาไม่ได้ไปดูราคา เขาดูว่ามันใช้ได้หรือเปล่าใช้ได้สองของสองอย่างใช้ได้เหมือนกันราคาต่างกันเรื่องอะไรจะไปเสียเงินมากทำไมในเมื่อของที่ราคาถูกกว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันเสื้อผ้าเนี่ยมีชุดละหมื่นกับชุดละพันเนี่ยมันก็เป็นเสื้อผ้าเหมือนกันหน้าที่ของเสื้อผ้ามีไว้ทำอะไรก็มีไว้ปกป้องรักษาร่างกาย ปกปิดอวัยวะอะไรต่างๆเท่านั้นเองเพื่อรักษาไม่ให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยจากอากาศหนาวเย็นหรือถูกมแมลงสัตว์กัดต่อยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเสื้อผ้าชุดละพันหรือชุดละหมื่นหรือชุดละแสนมันก็ทําหน้าที่เหมือนกันถ้าคนฉลาดก็จะคิดว่าเอาเงินที่จะไปซื้อชุดละหมื่นนี้มาซื้อชุดละพันอีกเก้าพนี้เอาไป สงเคราะห์คนที่เขาตกทุกข์ได้ยากดีกว่ามีคนหิวข้าวอยู่ไม่มีคนที่เขาขาดแคลนอาจจะขาดแคลนเสื้อผ้าก็เราซื้อชุดละพันเราอีกแล้วก็เก้าชุดแล้วก็ซื้อไปแจกคนอื่นก็ได้คนอีกเก้าคนจะได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากความเมตตาจากความการุณาของเราเราสงสารเขาเห็นเขาขาดแคลนในปัจจัยสี่ ขาดแคลนอาหารขาดแคลนที่อยู่อาศัยขาดแคลนเสื้อผ้าขาดแคลนยารักษาโรคเช่นบางเวลาก็มีภัยพิบัติเนี่ยไฟไหม้เราก็ช่วยกันบริจาคน้ําท่วมเราก็ช่วยกันบริจาคนี่แหละเรียกว่าความกรุณาคือเราต้องการที่จะบรรเทาความทุกข์ยากความเดือดร้อนของผู้อื่นมีความสงสาร ความการุณานี้แปลว่าความสงสารอันนี้ปต่างกับเ ม, มตตาเมตตานี้เราให้แม้แต่คนท um, ี่เขาไม่ทุกทุกได้ยากเดือดร้อนเราก็ให้อันนี้เมตตาคือเราอยากจะให้เขาทุกคนอยากจะมีความสุขแล้วทุกคนก็มีความสุขจากการที่ได้รับข้าวของจาก ก, กา sauces, ันละกันดังนั้นต่างกันตรงที่เมตตานี้ให้ทั้งคนที <billions S 1> ่ทุกยากเดือดร้อนและคนที่ไม่ทุกยากเดือดร้อนครับ แต่กรุณานี่เรามุ่งไปที่คนทุกข์ยากเดือดร้อนจึงเรียกว่าความกรุณาเห็นใครเดือดร้อนเนี่ยเราจะเข้าไปช่วยเหลืออย่างเงี้ยเรียกว่ากรุณาพระพุทธเจ้านี่มีทรงพระกรุณาต่อพวกเราเพราะท่านเห็นว่าพวกเรายังติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เมหากรุณากรุณานาโถเนี่ยคือเป็น เป็น ค, คุณสมบัติของพระพุทธเจ้ามีความสงสารต่อสัตว์โลกตอนต้นก็ท้อไม่อยากจะสอนแต่พอมาพิจารณาดูก็เห็นว่ามีผู้ที่จะสามารถรับคำสอนได้รับประโยชน์ได้องค์ก็เลยยินดีสละเวลาที่พระองค์ทรงมีเหลืออยู่หลังจากที่ได้ทรงตัดสัตแล้วพระองค์ก็ว่างจาก ภารกิจการงานส่วนตัวกิจของตกิจของตนได้ทำพร้อมเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็มีอยู่เฉยๆก็ไม่รู้จะทำอะไรดีก็มาช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากท่านมุ่งไปช่วยเหลือคนที่ติดอยู่ในกองทุกข์ก็พวกเราทุกคนพวกเราทุกคนนี้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเกิดแก่เจ็บตายกัน พระองค์ก็ส่งมาสอนพวกเราสอนพวกเราให้รู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจไม่มีอะไรที่จะโหดร้ายทารุณยิ่งกว่าความทุกข์และไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะกำจัดความทุกข์ที่โหดร้ายทารุณ น, นี้ได้นอกจากความรู้ของพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเอง ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านี่จะไม่มีใครรู้จักวิธีกาจัดความทุกข์ให้หมดไปอย่างถาวรได้จะรู้จักวิธีกาจัดแบบชั่วคราวอย่างที่เรากาจัดกันเวลาเราไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันพอไม่สบายใจก็ถูกกลบไว้ชั่วคราวเดี๋ยวพอกลับมาทำงานเดี๋ยวก็เจอเรื่องไม่สบายใจใหม่เดี๋ยวก็ไปช็อปปิ้งกันเพื่อดับความไม่สบายใจ เดี๋ยวก็ไปดูหนังฟังเพลงกันเนี่ยเราหนีความไม่สบายใจกันเรากำจัดความไม่สบายแบบชั่วคราวด้วยการหาความสุขแบบชั่วคราวมากลบมันเราจึงไม่เคยได้หลุดพ้นจากความทุกข์แล้วตายไปแล้วก็กลับมาเกิดใหม่อีกเพราะวิธีกำจัดความทุกข์ของพวกเรานี้ไม่ได้หยุดการกลับมาเกิด เมื่อกลับมาเกิดก็ต้องมาทุกข์ใหม่อีกแต่พระพุทธเจ้านี่ท่งค้นพบวิธีที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์แบบถาวรทุกข์แบบไม่กลับมาแล้วไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าจะไม่มีใครสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้จะต้องกลับมาทุกข์อยู่เรื่อยๆ ตายไปแล้วเดี so him, strong, ๋ยวก็ต้องกลับมาทุกข์กับการแก่การเกิดการแก่การเจ็บการตายการพัดผ่าจากกันช่วงที่ตายไปที่ยังไม่เกิดก็ต้องไปทุกข์กับการไปเกิดในอบายถ้าไปทําบาปไว้พอมีพระพุทธเจ้ามาสอนพระพุทธเจ้าก็จะสอนวิธีกําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไป นี่คือพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าที่มีต่อสัตว์โลกนความการุณาความสงสารของพระพุทธเจ้าพระองค์ทาหน้าที่สั่งสอนถึงสี่สิบห้าปีไม่ได้เรียกร้องค่าตอบแทนเลยไม่มีค่าสั่งค่าสอนไม่เหมือนที่ในโลกนี้เวลาจะไปเรียนที่ไหนเขาต้องเก็บค่าเล่าเรียน นอกจากโรงเรียนรัฐบาลที่เอาเงินภาษีมาจ่ายให้นอกนั้นแล้วต้องจ่ายค่าเราเรียนแต่พระพุทธเจ้านี้ไม่ไม่เรียกค่าเราเรียนใครอยากจะมาเรียนขอให้มาเรียนด้วยศรัทธาความเชื่อเท่านั้นจะสอนแต่คนที่เชื่อคนที่ไม่เชื่อไม่ฟังก็จะไม่สอนเพราะเสียเวลาสอนคนไม่เชื่อ พูดไปแล้วก็เหมือนเข้าหูซ้ายออกหูขวาเพราะเขาจะไม่เอาไปทําตามที่บอกบอกให้เขาทําบุญเขาก็ไม่ทําบอกให้เขารักษาศีลเขาก็ไม่รักษาบอกให้เขาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเขาก็ไม่ปฏิบัติบอกให้เขาเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นทุกข์ว่าเกิดจากความไม่เที่ยงเกิดจากความอยากที่จะให้สิ่งที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงเออันนี้ถ้าไม่นํามาไปปฏิบัติ ก็สอนไปก็เสียเวลาเปล่าๆเพระฉะนันพระพุทธเจ้าจึงสอนคนที่อยากจะฟังจึงมีธรรมเนียมว่าพระจะแสดงธรรมนี้ต้องมีผู้อาราธนาผู้ขอให้แสดงก่อนถ้าไม่ขอก็อย่าไปแสดงไม่อย่าไปเคาะประตูบ้านของคนแล้วเรียกเขาออกมาฟังธรรมออโยมาฟังธรรมไว้ธรรมนี้จะทำให้โยหลุดพ้นจากความทุกข์เดี๋ยวเขาก็จะได้ เขาก็จะได้ไล่ไป เ, ออเวลาจ ะ, สะแสดงธรรมนี้ต้องพูดฟังต้องมีความยินดีถึงถึงจ ะ, สะแสดง อ, อ, อยู่ดีๆจะไม่ไปเรียกคนมาฟังธรรมอย่างที่นี่ก็จะไม่อยากจะไปสะแสดงธรรมให้กับคนที่เขาเออต้อนคนมาฟังออบางทีบริษัทผู้ออจัดการมาฟังธรรมแล้วเห็นว่ามีคุณประโยชน์อยากให้ลูกน้องฟังบ้าง ก็ไปต้อนลูกน้องแล้วก็นิมนต์พระไปเทศให้ฟังถ้าไปเทศอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์เราเคยไปแล้วมีครูโรงเรียนเทคนิคนีคน่ฟังธรรมแล้วอยากจะให้เด็กนักเรียนเทคนิคฟังเทศฟังธรรมก็เลยนิมนต์ให้เราไปสอนเราก็ลองไปดูเวลาไปฟังมันไม่ฟังกันมา น, นั่งคุยกันก็เลย ไปก็เสียเวลาเปล่าๆที่มันต้องมาก็เพราะถูกบังคับให้มาเพราะครูสั่งให้มาเป็นเป็นคาบที่ต้องต้องเรียนวิชาพิเศษนี่ถ้าอย่างนี้แล้วไม่เกิดประโยชน์คนฟังก็ไม่เกิดประโยชน์คนสอนก็เสียเวลาต้องสอนคนที่ตั้งใจฟังอยากจะฟังอยากจะรู้อันนี้ฟังแล้วเขาตั้งใจฟังจริงๆ เราจะได้รับประโยชน์เพราะเมื่อเขาตั้งใจฟังเขาก็จะเข้าใจเข้าใจสิ่งที่เขาฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างวันนี้ก็จะเข้าใจว่าเมตตามีอย่างไรบ้างคนเราจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ว่ามีเมตตากรุณามู้ิตาอุบเบกขาหรือเปล่านี่คือเรื่องของความสงสารของพระพุทธเจ้ามาเปรียบเทียบ พวกเราถ้าไม่มีธรรมะเราก็มีอย่างอื่นก็สงเคราะห์กันไปตามตามกำลังถ้ามีก็สงเคราะห์ไปถ้าไม่มีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองก็สงเคราะห์ อ, อย่างอื่นกำลังกายก็ได้เห็นใครเข า, เาคนแก่เดินข้ามถนนนี้ไปช่วยประคองก็ได้คนตาบอดหรือไปที่ไหนที่มีกิจกรรมเราก็ไปร่วมทำกัน ไม่มีเงินทองก็ใช้กําลังกายกําลังใจไปเป็นอาสาสมัครพอเต็กตึงร่วมกตัญญูไปช่วยกันเก็บศพส่งคนเจ็บไข้ไปโรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นความกรุณาเหมือนกันความสงสารมนุษย์เราจะอยู่กันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขก็เพราะมีความกรุณากัน มีความสงสารกันใครล้มเราก็ต้องช่วยประคองเขาลุกแต่อย่าไปช่วยแบบอุ้มเขาก็แล้วกันช่วยแบบนั้นไม่ถูกช่วยแบบให้เขาต้องมาพึ่งเราตลอดเวลาช่วยให้เขายืนได้เวลาที่เขาล้มก็ช่วยให้เขายืนได้ให้เขาเดินของเขาเองอย่าช่วยแบบอุ้มเขาไปตลอดเช่นถ้าเขา เ, เดือดร้อนขาดแคลนอะไร เ, เราก็ช่วยเป ในเบื้องต้นก็ช่วยไปก่อนแล้วก็ดูว่าเหตุที่ทำให้เขาขาดแคลนเดือดร้อนเกิดจากอะไรเขาไม่มีงานทำช่วยกันหางานให้เขาทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าให้ให้เขาอยู่เรื่อยๆเขาขาดพอหมดเขาก็จะมาขอเราใหม่อย่างมีคำพูดว่าอย่าให้ปลาสอนให้เขาหาปลาเอง พอเขาหาปลาเป็นแล้วเขาก็ไม่ต้องมาขอปลาจากเราถ้าเราคอยให้ปลาเขาไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวพอปลาหมดเขาก็จะมาขอปลาใหม่อันนี้ก็เหมือนกันอย่าให้เงินทองไปเฉยๆอย่างเดียวให้เดี๋ยวเงินหมดเขาก็จะกลับมาขอใหม่ต้องหาวิธีสอนเขาให้เขาหาเงินทองของเขาเองให้เป็นหรือจะให้เงินเขาก็ต้องให้เขาทํางานอะไรสักอย่างหนึ่ง เขาจะได้รู้ว่าวิธีที่จะได้เงินมานี้ต้องเกิดจากการทางานต้องต้องช่วยแบบนี้ถ้าช่วยแบบนี้แล้วเขาก็จะช่วยตัวเองได้ช่วยให้เขาช่วยตัวเองนี่คือหลักของความการุณนาต้องอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ช่วยให้เขาช่วยตัวเองได้อย่าไปช่วยให้เขาต้องมาให้เราช่วยไปตลอดชีวิตนี่แล้วถ้าลักเกิดไม่มีเราแล้วเขาจะทาอย่างไร อย่างพ่อแม่บางคนรักลูกจนทาให้ลูกเสียไม่อยากให้ลูกทำงานอยากให้ลูกสบายก็เลยไม่ให้ไปทำงานให้เอาเงินพ่อแม่เลี้ยงไปเรื่อยๆลูกมันก็เลยทำงานไม่เป็นหาเงินไม่เป็นรู้จักแต่การใช้เงินแล้วถ้าเกิดพ่อแม่ตายไปเงินหมดไม่จะทำยังไงช่วยแบบนี้ไม่เป็นวิธีที่ช่วยที่ถูกต้อง ช่วยลูกที่ถูกต้องก็ต้องช่วยมันรู้จักช่วยตัวเองไม่มีความรู้ก็ส่งมันไปเรียนหนังสือบังคับให้มันเรียนหนังสือเรียนจบทำงานไม่เป็นก็ให้มันไปหัดทำงานเงินเดือนไม่สำคัญสำคัญที่มันรู้จักหาเงินหรือเปล่าถ้ามันรู้จักหาเงินแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ต้องมาพึ่งเราเพราะเราจะไม่ได้อยู่กับมันไปตลอดสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแล้วถ้าเราเป็นพ่อแม่เราก็ต้องตายก่อนเหมือน แล้วถ้าไม่มีมันแล้วถ้าเงินที่เราทิ้งไว้ ม, มันใช้หมดแล้วมันจะทำไงต่อไปถ้ามันไม่รู้จักหาเงินนะนี่คือหลักของความกรุณาก็คือต้องช่วยเหลือเขาแต่ช่วยให้เขายืนได้ให้เขาพึ่งตัวเองได้อย่าไปช่วยทางนี้ให้เขาต้องมาพึ่งเราไปตลอดนี่คือความดี ชนิดที่สองที่จะทําให้เราเป็นคนดีจะไม่มีใครมาว่าเราว่าเราเป็นคนไม่ดีนะข้อที่สามของการเป็นคนดีก็มุติตามุติตาก็คือให้เรามีความยินดีกับการกับความสุขของผู้อื่นเวลาผู้อื่นเขามีความสุขมีความเจริญให้เราแสดงความยินดี อย่าไปอิจฉาลิสยาอย่าไปลังเกียจอย่าไปเสียใจน้อยใจเพราะบางทีสิ่งที่เขาได้เป็นสิ่งที่เราอยากได้เช่นตำแหน่งเขาได้ตำแหน่งเราไม่ได้เราก็ต้องอย่าไปแสดงความไม่ดีต่อเขาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรจะเป็นการสร้างศัตรูกันเปล่า เขาได้ดิบได้ดีก็คิดว่าเป็นบุญของเขาเป็นโชคของเขาเป็นโอกาสของเขาวันนี้ไม่ใช่เป็นโอกาสของเราอก็ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีมันไม่ใช่อมันไม่ใช่ว่าจะจะไม่มีโอกาสแต่วันนี้เขาได้ดิบได้ดีเขาเป็นเพื่อนเรารเขาเป็นคนที่เรารู้จักกันทําไมเราจะไปอิจฉาเขาทําไมถ้าจะไปไปโกรธเขาทําไมเอ มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการไปสร้างศัตรูเปล่าๆสู้สร้างมิตรไม่ดีกว่าไปชื่นชมยินดีกับเขาเพราะดีไม่ดีเขาเราอาจจะต้องพึ่งเขาก็ได้เขาได้ตำแหน่งนี้แล้วเราอาจจะต้องอาศัยเขาช่วยเราก็ได้ต่อไปใครจะไปรู้งั้นอย่าไปอิจฉาลิสตยาอย่าไปโกรธเคืองอย่าไป อ, อ, อะไรต่อไปกล่าวไปว่าเขาว่าได้ดีเพราะอย่างงู้นอย่างนี้ <Yeah. S 2> อย่าไปพูดอะไรที่มันไม่ดีอย่าไปทาอะไรที่ไม่ดีให้ทำในสิ่งที่ดีดีกว่าก็คือร่วมยินดีกับเขาไปถ้ายอมร่วมยินดีไม่ได้ก็เฉยเฉยไปถ้าซื้อกระเช้าไปให้เขาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปอยู่บ้านไม่สบายเลยไม่ได้ไปร่วมความยินดีด้วยแต่ถ้าไปก็ดีเอา ก็เป็นการแผ่เมตตาเป็นการสร้างมิติกแหละนี่คือมูติตาขอให้เรามีความยินดีกับความสำเร็จกับความสุขของผู้อื่นที่เขาให้เราเล่นกีฬากัน เ, เพื่อเราฝึกมูติตากขาี่ไหมว่เวลาเล่นกีฬามันต้องมีฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะนฝ่ายแพ้ก็ต้องแสดงมูติต า, าน้ำใจนักกีฬายอมแพ้ยอมรับว่าเราแพ้ยินดี อย่าไปโอ้ยตีโพตีภายไปว่าเขาโกงมัง่งอย่างงู้นอย่างนี้บ้างอันนี้ไม่ใช่น้ำใจนะักกีฬาที่เขาให้เล่นกีฬานี้เพื่อให้เราฝึกมุติตาจิตรู้เปล่าแต่เราสมัยนี้ไม่คิดถึงเรื่มุติตาจิตล้คิดถึงจะต้องชนะอย่างเดียวพอแพ้แล้วเหมือนกับเสียหน้าอย่างนั้นไม่เสียหน้าคนที่แพ้แล้วมีมุติตาจิตเนี่ยเป็นคนได้หน้า เป็นคนที่คนเขาจะชื่นชมยินดีว่าเออเป็นผู้มีน้ำใจนะักกีฬาผู้ยอมผู้รู้จักแพ้รู้จักชนะออแล้วผู้ชนะเขาก็จะมีความสุขเราไปแสดงความยินดีกับเขา เ, ออเขาก็จะมาเป็นเพื่อนเราแล้วเราก็จะเล่นกีฬากันต่อได้ถ้าไม่พอใจกันเดี๋ยวเ่าตอไปรัน <laughs> อันนี้ก็คือมุติตาจิตถ้าเรามีมุติตาจิตแล้วเราจะคิดดีพูดดีทำดีในกรณีที่เร า, เาที่ผู้อื่นเขามีความสำเร็จเขามีความสุขมีความเจริญข้อสุดท้ายของการเป็นคนดีก็คืออุเบกขาอุเบกขานี้แปลว่าให้เราทำใจเฉยๆาบางการณีบางทีเราช่วยเขาไม่ได้ ช่วยเหลือเขาไม่ได้เช่นเขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่ได้ถึงแม้เราจะมีเงินทองมีอะไรจะซื้อยาซื้อหมอหาหมอมาให้เขาแต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้หมอบอกว่าต้องต้องตายถ้าเราไปอยากให้เขาไม่ตายเราก็จะวุ่นวายใจจะเสียใจงั้นเมื่อเราอยู่ในกรณีที่เราช่วยเหลือผู้อื่นไม่ได้ สงเคราะห์ผู้อื่นไม่ได้เราก็ต้องอย่าทำร้ายตัวเราด้วยการคิดไม่ดีด้วยการด้วยการมีอุเบกขาคือยอมรับว่าคนเราทุกคนมันก็อยู่ในโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันหรือไปตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนจนที่เกินกำลังที่เราจะช่วยเหลือเขาได้ ถ้าเราอยากไปกช่วยเขาแต่เราช่วยไม่ได้มันก็จะทําให้เราไม่สบายใจขึ้นมาได้หรืออาจจะคิดว่าเราไม่มีความเมตตาหรือเปล่าเราไม่มีความกรุณาหรือเปล่าอันนี้บางทีมันถ้ามันอยู่ในในเหตุที่สุดวิสัยเหรือความสามารถของการช่วยเหลือของเราเราก็ต้องทําใจเป็นอุเบกขาทําใจเฉยเฉยไปไม่เช่นั้นเราจะเดือดร้อนโดยใช่เหตุใจเราจะไม่สบายใจ หรือเราอาจจะไปทำอะไรที่ไม่ดีก็ได้อยากจะช่วยเหลือเขามากๆๆแต่เราไม่มีเงินพอเราอาจจะไปขโมยเงินมาช่วยเขาเอย่างนี้อันนี้ก็จะทำให้เราเออกลายเป็นคนไม่ดีไปอีกดังั้นเราต้องรู้จักขอบเขตของการช่วยเหลือผู้อื่นขอบเขตของการแผ่เมตตาขอบเขตของมูทิตาว่าอยู่ในวิสัยที่เราสามารถทำได้โดยที่ไม่ทำให้เราเป็นคนไม่ดีหรือเปล่า ถ้าเราต้องไปทำอะไรที่ไม่ดีเพื่อที่จะได้ไปไปช่วยเหลือเขาไปแผ่เมตตาให้กับเขาก็อย่าทำเพราะได้ไม่คุ้มเสียนี่คืออุเบกข า, าถ้าเรามีคุณธรรมสั้งสีประการนี้แล้ว เ, เราจะเป็นคนดีเราจะมีความสุขไม่ว่าจะอยู่ในเหตุการณ์ไหนก็ตาม เ, าเหตุการณ์ที่เราช่วยเหลือคนได้เราก็ช่วยเหลือไป เหตุการณ์ที่เราช่วยเหลือไม่ได้เราก็ทําใจเฉยๆไปไม่ต้องอยากไปทําอะไรที่จะทําให้เราไปทําความเสียหายให้แก่ผู้อื่นหรือกับตัวเราเองเพื่อที่จะมาช่วยเหลืออีกคนหนึ่งจะไปช่วยอีกคนหนึ่งแต่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับอีกคนหนึ่งนี้ทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกไปเอาเงินของอีกคนหนึ่งมาซื้อข้าวให้อีกคนกินอย่างนี้มันก็ไม่ถูก หรืแม้จะบอกว่าเป็นโรบปนฮูดก็ไม่ถูกโรบปนฮู้ดก็ไปเอาเงินคนรวยมาแจากคนจนนี่ถ้าไปขอเขาเขาให้มาก็ไม่เป็นไรขอเงินจากคนรวยมาสง่งให้สงเคราะห์คนจนได้อย่างพวกององอ ง, องกรสาธารณกุศลเขาก็ไปขอเงินบริจาคจากคนรวยเพื่อที่จะมาช่วยคนจนทํานี้ได้ขอได้บอกบุญได้แต่จะไปเอาปืนจ่อบังคับเขา ขอเอาเงินมาเดี๋ยวเอาเงินไปแบ่งให้คนจนใช้บ้างทำอย่างนี้ผิดนะถ้าเราทำไม่ได้เราก็ต้องทำใจเป็นอุเบกขาก็ต้องยอมรับ ว, ว่ามีสิ่งที่เราทำได้แล้วมีสิ่งที่เราทำไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องของโลกว่าคนเรามันเกิดมาแล้วมันก็ต้องเจอสุขบ้างทุกบ้างเป็นเรื่องของบุญของกรรมไเราจะมาทำให้ทุกคนในโลกนี้สุขกันหมด มันก็ทําไม่ได้นอกจากทําให้เขาพ้นทุกข์แบบพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ก็ต้องเขาก็ต้องทําเองเราเพียงแต่สอนเขาถ้าก็อยากจะพ้นทุกข์ก็ทําแบบพระพุทธเจ้าสอนก่อนที่จะสอนเขาเราก็ต้องไปเรียนก่อนเรียนวิธีสอนให้คนอื่นพ้นทุกข์ก่อนเราก็ต้องทําให้ตัวเราพ้นทุกข์ก่อนเมื่อเรารู้จักวิธีทําให้ตัวเราพ้นทุกข์แล้วเราค่อยไปสอนคนอื่นถ้าเรายังไม่พ้นทุกข์อย่าเพิ่งไปสอนใคร จะเสียเวลาแล้วจะจะไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่ได้ประโยชน์คนที่เราจะไปสอนก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะคำสอนของเรามันจะไม่มีประสิท ธ, ธิภาพพอที่จะทำให้เขาพ้นทุกข์ได้ในเมื่อเรายังไม่ทำสามารถสอนให้เราพ้นทุกข์ได้เราจะไปสอนให้คนอื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรพระพุทธเจ้าถึงสอนว่าให้ยังประโยชน์ของตนก่อนแล้วค่อยไปยังประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อม ตอนต้นเราต้องช่วยตัวเราก่อนช่วยตัวเราให้พ้นทุกข์ก่อนพระพุทธเจ้าชงใช้เวลาหกปีช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ก่อนตอนที่ปฏิบัติหกปีนี้ไม่ไปช่วยใครเลยแต่พอพ้นทุกข์แล้วอีกสี่สิบห้าปีนี้ก็ช่วยคนอื่นตลอดอยันใครจะมาว่าเราเห็นแก่ตัวไปบวชนี่เห็น<ๆ>แก่ตัวนี่เป็นคนพวกหูหนวกตาบอดเป็นพวกคนโง่พวกคนที่ไม่รู้เรื่องพูดไปอย่างนั้นเอง ไม่รู้ว่าการไปบวชนี้เพื่อไปอไปเรียนไปปฏิบัติเพื่อให้ตนหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นแล้วถึงจะได้มาเป็นครูเป็นอาจารย์สอนให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นต่อไปอนี่คือเรื่องของการเป็นคนดีถ้าเราอยากจะเป็นคนดี ต้องดีที่ใจอย่าไปดีที่ร่างกายอย่าไปเสียเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆงามๆมาใส่ซื้อรถยนต์ราคาหรูหรามาขับมันไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีหรอกมันอาจจะดูดีแต่มันไม่ดีหรอกถ้าใจไม่มีความเมตตากรุณาโมริตาอุบเบกขาแล้วจะไม่มีใครรักไม่มีใครชอบนังนั้นขอให้เรามาทำใจเราให้ดีโดยการจเจริญคุณธรรมสี่ประการพรหมวิหารสี่ คือเมตตากรุณามุดิตาอุเบกขาแล้วชีวิตของเราจะมีแต่ความสุขแล้วเราจะเป็นคนดีเป็นที่รักของผู้คนและสัตว์ทั้งปวงการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาขออนุโมทนาให้พรอยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารัง เอวเมวะอิโตทินางเปตานังอุปกาปติอิชิตังปัทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพโปรเณตุสังกปาจันโทปนาระโสยธามณิโชติภะระโสยธาสัพพิตโยวิวาจันโตสัพพโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายอสุขีทีขายุโกภวะอาิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวโนสุขังภลัวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ เฟซบุ e ๊ก425 YouTube 148เรดิโอ18รับฟังพนเขา36รวม627ค่ะ627มา น, นีา่มีคำถามไหมคำถามจากทางอินบ็อกนะคะจากคุณวราชาติค่ะกราบท่านพระอาจารย์ครับกราบผมมีบุตรชายซึ่งบวชอยู่วัดป่าในกรุงเทพได้หนึ่งพันษา พระลูกชายอยากจะศึกษาธรรมให้มากกว่านี้เพราะพระลูกชายมีความประสงค์อยากบวชตลอดชีวิตไม่สึกท่านพระอาจารย์ครับกลับผมอยากให้พระลูกชายมาศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมและอุทิศตนให้ศาสนาท่านพระอาจารย์ครับขอคำแนะนำและคำปรึกษาจากท่านพระอาจารย์ด้วยครับถ้าจะมาอยู่ที่นี่มันตอนนี้มันเต็มที่มันเต็ม ก็ให้ศึกษาผ่านทางสื่อนี่ให้อ่านศึกษาทาง y o u ูทูบฟังเทศฟังอะไรไปก็ไปหาวัดที่มันไม่เต็มอยู่กว่าไปหาวัดป่าที่มีเอไม่ค่อยมีคนไปไปหาวัดเงียบๆเพรดะในวัดนี้มันเป็นวัดที่อคนรู้จักเยอะคนก็เลยมากันเยอะที่มันก็เลยเต็ม ถ้าจะมาชั่วครั้งชั่วคราวนี้ก็ยังพอที่จะแล้วแต่ว่ามีที่พักหรือไม่มันบางทีมก็มีบางทีก็ไม่มีอย่างนั้นก็ต้องแล้วแต่ต้องเสี่ยงดูเพราะเราก็ไม่ได้มีการจัดการจัดจองที่พักอะไรกันไว้แล้วแต่ใครมาก่อนมาหลังคําถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะจากคุณยุพดีกราบนมัสการเจ้าค่ะ พ่อแม่คือพระพรหมของลูกเวลาลูกทาผิดเราก็ให้อภัยลูกเสมออยากกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่ลูกด่าเราเราก็ให้อภัยเขาแล้วลูกจะบาปใหม่เจ้าคะและถ้าบาปจะทำอย่างไรลูกถึงจะหายบาปจากการด่าแม่เพราะทุกวันนี้ลูกทำอะไรก็ไม่เจริญมีแต่หายนะทุกอย่างเขาเจ็บป่วยตลอดด้วยค่ะสาธุก็ต้องสอนเขาสอนอะไรผิดถูกดีชั่ว ส่วนเขาจะนํามาไปปฏิบัติได้หรือไม่มันก็เป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่บอกเท่านั้นส่วนเขาทําได้ก็เป็นประโยชน์กับเขาเขาทําไม่ได้ก็เป็นโทษกับเขาเราต้องทําใจเรียกว่าอุเบกขาเ <c oughs> นี่ยเมื่อเราทําในสิ่งที่ที่เราทําให้เขาไม่ได้เขาเป็นเรื่องที่เขาต้องทําเองอย่างนี้เราก็ต้องทําทําใจเป็นอุเบกขาแต่เราก็เมตตาด้วยการสอนเขาถ้าเขายินดีฟัง ถ้าเขาพูดพอเราพูดแล้วเขาสายหน้าวิ่งหนีก็อย่าไปพูดแสดงว่าบอกบุญไม่รับเนี่ยการไม่ต้องไม่ต้องให้บุญเขาก็ต้องถือว่าเป็นกรรมของเขาไปคำถามจากคุณกิติยาค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะ <c oughs> การที่ดิฉันได้ปฏิเสธไมตรีกับคนที่รู้จักและช่วยเหลือมาตลอด เพราะเขาได้ทําให้เสียความรู้สึกและโกหกบ่อยครั้งแต่ดิฉันก็ให้อภัยมาตลอดจนถึงณตอนนี้ดิฉันมีความรู้สึกกลัวกังวลว่าเขาจะมาไม้ไหนและหมดความเชื่อถือเชื่อใจดิฉันทําถูกหรือไม่เจ้าคะและดิฉันจะบาปไหมที่ได้ปฏิเสธเขาไปเพราะอาจทําให้เขารู้สึกไม่ดีเจ้าคะ่ะการปฏิเสธนี้ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นการกระทำบาปเราไม่ได้ไปทําร้ายเขา ไม่ได้พูดหรือไปทำอะไรให้เกิดความเสียหายกับเขาก็ไม่บาป ก, การที่เราไม่รับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นบุคคลที่เราไม่ควรที่จะ เ, เกี่ยวข้องด้วยหรือใกล้ชิดสนิทสนมด้วยอันนี้ก็ไม่ไม่ผิดเพราะพุทธเจ้าก็สอนแล้วว่าอยากคบคนไม่ดีให้คบคนดีถ้าเราคิดว่าเขาเป็นคนไม่ดีสาหรับเราเราไม่คบกับเขานี่ไม่บาปเราเลือกคบกับคนที่ดี คำถามจากคุณพิมพ์เสริมสวยค่ะกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะดิฉันขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าถ้าดิฉันทดสอบจิตตัวเองว่าพรมวิหารสี่ดิฉันผ่านได้และรู้เท่าทันอารมณ์ของดิฉันเองและทานอาหารมังสวิรัตปฏิบัติถือศีลห้าสวดมนต์นั่งสมาธิและชอบฟังธรรมจิตตั้งมั่นขอนิพพานชาตินี้เลย คิดและปฏิบัติตามนี้ดิฉันผ่านไหมคะหรือว่าดิฉันอยากไปนิพพานต้องออกบวชเป็นพระภิกษุนีถึงจะเข้านิพพานได้ก็ดูว่าตอนนี้เรามีความโลภกดหลงอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีก็ยังไม่นิพพานถ้ายังมีความอยากเที่ยวอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มอยู่ยังอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี่อยู่ก็แสดงว่ายังไม่เป็นยังไม่ถึงนิพพานเพราะสิการปฏิบัติของเราอาจจะเป็นแค่ทุลีผงทุลี คนเรามักจะเข้าข้างตัวเองเวลาทําความดีเท่าผงทุลีนี่มักจะคิดว่าเป็นกองภูเขาเวลาทําความชั่วกองภูเขานี่กลับคิดว่าเป็นผงทุลีนิดหน่อยไม่เป็นไรข้ากัแล้วนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าใครมาแตะนมาดาวเราหน่อยโอ้โหกลายเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาฉะนั้นเรามักจะเข้าข้างตัวเองว่าเราทําดีฉะนั้นเราต้องดูที่ผลว่าถ้ามันดีจริงเราต้องมีความสุขตลอดเวลา ไม่มีความทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆกับเรื่องราวต่างๆไม่มีความอยากได้อะไรจากใครไม่มีความโลภความโกรธความหลงที่ไม่ถามนี่ก็แสดงว่ายังหลงอยู่ก็ยังไปไม่ถึงถ้าถึงแล้วไม่มาถามคนที่ไม่หลงเราจะไม่ถามแสดงว่ายังไม่ยังไปไม่ถึงคงจะต้องปฏิบัติอีกมากคอยสังเกตดูใจอยู่เรื่อว่ายังอยากอยู่หรือเปล่า อยากจะรู้ว่าอยากไม่อยากลองนั่งเฉยๆสักหกชั่วโมงดูถ้าอยากทางร่างกายก็ถ้าหิวน้ำก็เอาน้าวางไว้ที่ข้างเก้าอี้ที่เรานั่งถ้าอยากจะฉี่ก็เอากระโถนวางไว้แล้วมันจะได้ไม่ไม่มีเหตุผลที่จะให้ร่างกายลุกไปไหนถ้าอยากจะลุกก็แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ถ้ามันเมื่อยจริงๆก็ยืนได้ยืนที่ข้างเก้าอี้ได้ แต่อย่าไปดูนั่นอย่าไปเปิดหน้าต่างดูข้างนอกอย่าไปเปิดโทรศัพท์ดูว่ามีใครส่งข่าวเข้ามาหรือยังอันนี้เป็นความอยากรู้อยากเห็นละ่ะถ้าไม่มีความอยากจริงๆต้องนั่งเฉยๆแล้วมีความสุขได้คําถามจากคุณวีระวิทย์ค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับหมดกิเลสกับการรู้เท่าทันกิเลสเหมือนกันหรือต่างกันครับอถ้ารู้เท่าทันมันก็ยังมีกิเลสอยู่สิมันจะหมดได้ไง มันต้องฆ่ากิเลสมันต้องไม่มีกิเลสให้มารู้เท่าทันรู้ทันมาแล้วก็ต้องฆ่ามันกำจัดมันให้หมดไปถ้ามันยังโผล่ขึ้นมาก็แสดงว่ามันยังไม่หมดคำถามค่ะขอถามคนที่เกิดมาตัวเตี้ยเป็นคนแคร์หน้าตาก็ไม่ดีใครเห็นมีแต่คนรังเกียจ ชาติปัจจุบันนี้พอจะมีโอกาสบรรลุทมขั้นต้นได้หรือไม่สนใจตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างจริงจังพอจะมีโอกาสบ้างเปล่าครับเพอร่างกายร่างกายไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติอยู่ที่ใจถ้าใจพร้อมที่จะรักษาศีลพร้อมที่จะนั่งสมาธิพร้อมที่จะศึกษาให้เกิดปัญญาก็บรรลุได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเตี้ยหรือจะสูงจะอ้วนหรือจะผอมไม่มีปัญหาทางร่างกาย ปัญหาอยู่ที่ใจว่ามีศีลสมาธิปัญญาหรือไม่ถ้าไม่มีก็รีบจเจริญซะศีลรักษาศีลห้าก่อนศีลห้าได้กว่าศีลแปดนั่งสมาธินั่งไปตอนต้นก็นั่งครั้งหนวันละหนึ่งครัง้งสองครัง้งต่อไปก็เพิ่มเป็นสามสี่ครั้งต่อไปก็นั่งมันทั้งวันทั้งคืนเต้องทําให้มันเต็มที่แล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เองคําถามจากคุณพี่โกค่ะ เรียนถามพระอาจารย์ถ้าเรารู้สึกดีใจนักปฏิบัติต้องวางตัวแบบข้อไหนครับข้อหนึ่งวางตัวแบบยิ้มหน้าบานข้อสองไม่ยิ้มกดความรู้สึกดีใจบังคับใจให้เป็นกลางข้อสามยิ้มเล็กน้อยเฝ้าดูความดีใจเกิดขึ้นและหายไปตอนไหนหรือข้อสี่ตามที่พระอาจารย์ชี้แนะก็เบกค้างไงสักแต่ว่ารู้ไปรู้ว่าดีใจก็รู้ว่าดีใจรู้ว่ามันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับ ไม่ต้องไปดีใจกับความดีใจอาจะมีสองคนนะมีผู้ดีใจกับผู้ที่ไปยินดีกับความดีใจผู้ที่รู้อย่าไปยินดีกับความดีใจความดีใจมันถูกเหตุการณ์ทาให้เกิดขึ้นมาพอได้อะไรถูกใจก็ดีใจขึ้นมาก็รู้ว่ามันก็เป็นชั่วคราวอันนี้จังเดี๋ยวมันก็ดับไปอย่าไปยินดีกับความดีใจเดี๋ยวพอความดีใจหมดมันก็จะเสียใจ ถ้าไม่ยินดีล้ายก็จะไม่ไม่ดีจะไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนอย่างนั้นฝึกอุเบกขาให้สักแต่ว่ารู้ไปดีใจก็เฉยเฉยไปเสียใจก็เฉยเฉยไปโดยว่าเดี๋ยวมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใครด่าเราเสียใจก็รู้ว่าเร า, เ, ราเสียใจพอเสียใจบ้ากวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปคำถามจากคุณดาริยาค่ะ ตอนนี้หนูทำงานโรงงานเกี่ยวกับขยะรีไซเคิลโรงหลอมของคนจีนถ้ามีมลพิษและสารเคมีที่เป็นพิษทำให้ชาวบ้านแถวนั้นเดือดร้อนหนูทำงานในโรงงานนั้นหนูจะบาปไหมคะอ้าวก็ไปสร้างความเดือดร้อนเราได้ประโยชน์จากการไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็จะว่าบาปก็ได้แต่าบาปแบบไม่ไม่ไม่ถึงกับเป็นบาปที่ผิดศีลค่ะ ไม่ได้ทำให้คนตายไม่ได้ไปทำทำลายทรัพย์สินสมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นแต่มันไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็เรียกว่าขาดความเมตตาก็ได้เพราะเป็นการเบียดเบียนกันแต่ไม่ถึงกับบาปเพราะยังไม่ได้ฆ่ายังไม่ได้รักทรัพย์ยังไม่ได้ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้โกหกหลอกลวงไม่ได้ดื่มสุรายาเมาคาถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ กราบนมัศการครับพระอาจารย์มีพระบางรูปพูดจามไม่เพราะสอนธรรมคล้ายๆหลวงปู่เจี๋ยแต่มีคนที่ไปฟังต่อว่าท่านท่านก็เฉยได้แต่ยิ้มยิ้มผมเลยบอกคนที่ต่อว่าอย่าไปดูอากัปกิริยาของท่านมันจะเป็นกรรำทำแท้มันอยู่ที่ใจผมอยากทราบว่าผมเตือนบอกเขาถูกไหมครับผมขอความเมตตาอยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องจริตกิริยาของแต่ละรูปหน่อยครับสาธุครับ กิิยาของคนเรามันก็เรียบร้อยบ้างไม่เรียบร้อยบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของกิิยาสิ่งที่เราควรฟังก็คือความรู้ที่เราได้รับว่าเป็นความรู้ที่เราเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับเราได้หรือเปล่าถ้ามันเกิดประโยชน์ได้เขาจะพูดแบบไหนก็ไม่เป็นปัญหาเลยกิิยาก็เหมือนจานข้าวจานข้าวา จ, จะจานสวยก็ได้จานไม่สวยก็ได้ เราอย่าไปดูที่จานใช่ไหมเราดูที่ข้าวเอข้าวบูดแล้วไม่บูดเนี้ดูตรงนั้นดีกว่าถ้าข้าวบูดก็อย่าไปกินมันจานมันจะสวยขนาดไหนแต่ข้าวบูดก็อย่าไปเอาแต่ถ้าจานไม่สวยแต่ข้าวอร่อยนี่เอามันเลยออันนี้ก็เหมือนกันผู้ครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านท่านก็อาจจะมีกิริยาไม่สวยเหมือนจานแต่ธรรมะฟังแล้วประทับใจก็เอาตรงนั้น ดูที่ความประทับใจจากการฟังธรรมนะถ้าฟังถึงแม้อาจารย์จะสวยพูดหวานแต่ฟังแล้วไม่ได้เรื่องก็อยากไปฟังให้เสียเวลามีนะผ้าบางคนปากหวานเจี๊ยบแต่ฟังแล้วไม่รู้พูดอะไรหาสาระหาประโยชน์ไม่ได้ก็อย่าไปฟังให้เสียเวลาเงั้นอย่าไปดูที่กิริยาให้ดูที่ธรรมดูที่ความรู้ที่ท่านให้กับเราว่าประทับใจไหม ฟังแล้วเกิดความสุขเกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฐิหรือเปล่าอันนี้แหละคือสิ่งอย่างโยมเมื่อกี้ที่เขามาพูดชาวมาเลยใช่เขาฟังแล้วเขาบอกเขาประทับใจอุยอยู่มาเลเซียยังอุตสาห์เดินทางมาที่นี่อายุต้องแปดสิบเอ็ดปีแล้วไม่ใช่เห็นบอกว่าอยากไปวัดบุญยาวัฒน์ด้วยค่ะแต่ว่า ไ, ไม่มีรถไปคือไม่ทราบว่าต้อง แบบจะไปยังไงให้ได้สองที่ความกันเลยอไม่ทราบเหมือนกันถ้ <c oughs> า <c oughs> คนที่รู้เขาตอนเช้าเขาจะไปวัดบุญยาวาดเช้าก่อนเพราะวลาเราบ่ายเพราะตอนชเอนช้าเขาไปวัดบุญยาวาดเขาก็ไปใส่บาตรได้เลยใส่บาตรก็เสร็จแล้วก็ฟังเทศจากท่านเสร็จแล้วก็นั่งรถมาที่นี่บ่ายก็ได้ฟัง อ, อีกช่วงหนึ่งถ้าถ้าวัดอาจารย์นานเทศตอนเย็นก็อาจจะต่อชิ่นี่ไปที่วัดมาบอาจารย์ต่อก็ได้ ถ้าท่านเทศตอนกลงคืนทำวัดค่านี้ก็ได้สามวาัถเลยภายในวันเดียวแต่สำหรับที่นี่ไม่ต้องมาเองก็ได้เดีย๋ยวนี้สามารถไปถึงถึงมือถือเราแล้ ว, ลวอยู่ที่ไหนแล้วก็ฟั่งได้แต่าจะาไม่ไม่มีรสชาติเหมือนกับมาที่นี่เพราะถ้ า, ถา ม, มาที่นี่อยากจะถามตอบอะไรก็จะสะดวกง่ายกว่าคำถามจากคุณวรัญญาค่ะ การฝันเห็นพ่อผู้ล่วงลับหลายๆครั้งจะเห็นว่ากําลังทําบุญที่บ้านเป็นเพราะจิตเราปรุงเองหรือเปล่าคะก็ต้อง ก, ก็ต้องเช็คดูเอาเองก็แล้วกันว่าเราปรุงแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงพ่อเข้ามางานที่เราจัดหรือเปล่าเราจัดงานหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้จัดงานพ่อไม่ได้มามันก็เป็นความคิดปรุงแต่งของเราไปคําถามจากคุณวรพันธ์ค่ะ เวลาที่เราได้พบบุคคลที่ใจไม่ชอบมากๆและได้พบเห็นอยู่บ่อยเราควรปฏิบัติด้วยจิตตนเองอย่างไรไม่ให้ไม่ชอบให้ใจเป็นกลางๆกับบุคคลที่เราพบบางครั้งใช้พมศิหารช่วยแล้วใจก็ยังไม่เมตตากับบุคคลนั้นๆเจ้าค่ะใจมันมีอคติอยู่เนืองๆเจ้าค่ะก็ต้องใช้สติหยุดใจหยุดอคติของเราใช้พุโทโธพุโทโธไป ถ้าใจไม่เฉยไม่เป็นอุเบกขาก็ต้องอาศัยสติพุโทโธพุโทโธทําให้ใจเป็นอุเบกขาคําถามจากคุณตาลลายแทงค่ะเรียนถามพระอาจารย์ครับตั้งใจไว้ว่าจะบวชเข้าพรรษานี้เป็นเวลาหนึ่งพรรษาควรจะเตรียมตัวอย่างไรครับในกรณีที่มีภรรยาควรจะบอกกล่าวยังไงครับคุณทำอะไรก็ทําเลยมาถามเรา ท, ทไม เรื่องอย่างนี้มันไม่ใช่ต้องมาถามเราเนี่ยคนก็จัดการเรื่องของคนเนี่ยคณจะทำอะไรคุณก็ต้องคุยกับคนที่คุณอยู่ด้วยปรึกษากันว่าเจ้ายาวยังไงผมจะไปบวชเนี่ยคจะ้ห้ผมไปหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวกับเราที่ต้องมาแนะนำเลยของพวกนี้คาถามจากคุณชัยนพงค่ะนั่งสมาธินานๆแล้วปวดขามาก ถามพระอาจารย์เราต้องทนนั่งต่อไปไหมครับถ้าอยากจะผ่านความเจ็บปวดก็ต้องนั่งต่อไปให้มันหับให้มันดับเองให้มันหายเองหรือถ้าไม่หายก็ให้เราอย่าไปอยากให้มันหายหรืออยากจะลุกถ้าเรานั่งกับมันได้มันไม่หายเราอยู่กับมันได้ก็แสดงว่าเราผ่านไม่เดือดร้อนต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บแต่ถ้าเราเจอความเจ็บทีไรเราต้องลุกแสดงว่าเรายังกลัวมันอยู่ไม่กล้าเผชิญหน้ามันเราต้องเผชิญหน้ามันต้องอยู่กับมัน ต้องยินดีต้อนรับมันแล้วเราจะไม่ทุกข์ที่เราทุกข์เพราะเราไปรังเกียจมันใช่ไหมพอเจอความเจ็บนี้อยากจะให้มันหายไปเหมือนเจอคนที่เราไม่ชอบนี่อยากจะให้เขาหายไปแต่เขาดื้อเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมหายเราจะทําไงเราก็ต้องหัดทําใจอยู่กับเขาไปถ้าเราอยู่กับเขาได้เราก็จะไม่เดือดร้อนเราต่อไปเราก็จะอยู่กับเขาได้ตลอดเขามาตอนไหนเราก็จะไม่เดือดร้อน คำถามจากคุณยายยายค่ะนมาสการค่ะอยากถามว่าการดึงลมหายใจเข้ายาวและออกยาวและการดูลมหายใจปกติธรรมดาอันไหนที่ทําถูกต้องต้องดูเฉยๆอย่าไปดึงอย่าไปควบคุมบังคับลมเพราะเป็นการทํางานของจิตจิตเป็นผู้ต้องทํางานผู้สั่งให้ผู้ดึงลมเข้าลมออกนี่คือจิตเราต้องการให้จิตนิ่งเป็นสมาธิเราต้องอย่าใช้งานอย่าให้จิตทํางาน ให้จิตรู้เฉยๆการรู้เฉยๆไม่เป็นการทำงานเพราะการรู้นี่เป็นธรรมชาติของจิตเราต้องการดึงให้จิตขับสู่ธรรมชาติเดิมคือให้รู้เฉยๆให้เป็นอุเบกข า, าอย่างยาวหยาไปควบคุมบังคับลมอย่าไปหายใจยาวๆลึกๆไม่ต้องให้รู้เฉยๆตอนนี้ลมมันลึกหรือไม่ลึกสั้นหรือยาวหยาบหรือละเอียดเท่านั้นเอง เพื่อที่จะใช้ลมเป็นที่หยุดความคิดถ้าเราดูลมอย่างต่อเนื่องเราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ไม่ได้เป้าหมายอยู่แค่ตรงนั้นต้องการหยุดความคิดเพราะถ้าไม่หยุดความคิดจิตก็ยังทํางานอยู่ถ้าไปบังคับลมให้หายใจจิตก็ยังทํางานอยู่งั้นอย่าไปบังคับลมอย่าไปอย่าไปอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดูลมเฉยๆไปแล้วทํา ไม่ไปคิดอะไรเดี๋ยวจิตก็จะนิ่งจะสงบจะรวมเป็นหนึ่งจะสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วก็จะมีความสุขอย่างมากเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ทั้งเป็นคำถามจากคุณสาวสาวค่ะกราบนรมส ก, การพระอาจารย์เจ้าค่ะ คำว่าบรรลุธรรมเป็นอย่างไรเจ้าคะคนที่บรรลุธรรมเขาปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะสาธุคะ่ะก็เหมือนคนจบปริญญาจบปริญญาตรีก็บรรลุธรรมบรรลุปริญญาตรีจบปริญญาโทก็คือสำเร็จการศึกษาสอบผ่านเขามีข้อสอบให้เราเราสอบผ่านเขาก็ให้เราสำเร็จบรรลุการบรรลุธรรมก็เป็นการอสอบข้อสอบที่จะต้องสอบอ เช่นความแก่ความเจ็บความตายเราผ่านไหมเรากลัวความแก่ความเจ็บความตายหรือไม่เราทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายหรือไ ม, อ ม, ม, ม, อไม่ถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่ายังไม่ผ่านถ้าเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเราผ่านแก่ก็ยิ้มได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ยิ้มได้ตายก็ยิ้มได้อย่างี้แสดงว่าเราผ่านบรรลุธรรมคาถามจะคุณ น, น้าเพจค่ะ คำว่ากิริยาของจิตเป็นอย่างไรเจ้าคากิริยาก็แปลว่ากิริยานิริยาของจิตก็คือความคิดเนียจิตคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ก็แสดงว่าจิตกําลังมีกิริยาอยู่บอกแล้วเลยเออกิริยาของกายก็เนี่ยพูดการพูดก็เป็นกิริยาอย่างหนึง่งการกระทําทางร่างกายเดินไปเดินมากระโดดโลดเต้นก็เป็นกิริยากิริยาทางกาย กิเลยาทางจิตก็คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ก็เป็นกิริยาทางจิตกิริยานี้มันมีทั้งมีผลทั้งในทาง ober, ทางสุขทางทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเป็นกิริยาที่ไปทําให้คนเดือดร้อนเสียหายมันก็เป็นทุกข์พอเราไปทําอะไรให้คนเดือดร้อนเราก็ไม่สบายใจกิริยาที่ทําให้เกิดคนทำให้เกิดคนอื่นมีความสุขเราก็สบายใจมีความสุข เราก็เรียกว่าบุญกิริยาที่ไม่ได้ทําให้คนอื่นทุกข์หรือสุขเราก็เรียกว่ากิริยากลางๆเช่นเราอาบน้ําอาบทาแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารนี่เป็นกิริยากลางๆไม่ไปทําให้ใครเขาเดือดร้อนไม่ได้ไปทําให้ใครได้รับประโยชน์จากการกระทําของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิริยากลางๆกิริยาก็คือกรรมคือการกระทํานี่เองนี่แต่ แต่การกระทาของเรานี่มันเรามักจะมีกิเลสตัณหามาเป็นผู้ผักดันบางทีอาบน้ำก็เพราะอาบน้ำเพราะอยากจะอาบเพราะมันร้อนมันเหงื่อมันขึ้นอยากจะอาบให้มันสบายถ้าอยากอาบพงนี้มันก็เป็นเป็นกิริยาที่มีกิเลสแต่สำหรับผู้ที่ไม่มีกิเลสบางทีมันจะร้อนมันจะ มันจะมีเหงื่อใครแต่ถ้ายังไม่มีที่อาบก็ไม่ก็เฉยๆไปเมื่อเมื่อถึงเวลามีที่อาบก็จะอาบไม่มีไม่มีที่อาบก็ไม่อาบอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นกิริยาล้วนๆไม่มีกิลเลสมาเกี่ยวข้องด้วยไม่มีตัณหาความอยากมาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านจะมีกิริยาแบบนี้ท่านจะทาอะไรนี้ไม่ได้ทาด้วยความอยากทำด้วยเหตุผลเมื่อถึงเวลาต้องทำ ควรจะทำก็ทำทำได้ก็ทำถ้าไม่ได้ทำก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าทำด้วยความอยากพอถึงเวลาจะอยากจะทำแล้วไม่ได้ทำก็จะไม่สบายใจไม่พอใจขึ้นมานี่คือกิิยา ท, ที่เราพูดถึงพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าท่านทำอะไรนี้เป็นแต่กิเยาเวลาท่านด่าใครท่านก็ไม่มีความโกรธเป็นผู้ผักดานให้ด่าเวลาท่านว่ากล่าวตีเตียนใครท่านก็ว่าไปด้วยเหตุด้วยผลคนนี้ทำผิดก็ต้อง ชี้ผิดชี้ถูกแล้วก็กําหนดโทษไปตามความเหมาะสมพระทําผิดโทษไล่แรงท่านก็บอกให้สึกไปแต่ถ้าไม่ได้ทําด้วยความโกรธพระรูปนั้นแต่อย่างใดเหมือนกับศาลผู้ตัดสินคดีความ<อ>ก็ตัดไปตัดสินคดีความไปตามเหตุผลตามหลักฐานที่เขาเสนอมาอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นเป็น เป็นกรรมไม่มีกรรมนี่จะไม่จ ต, ต่อเมื่อมันมีกิเลสมาเป็นผู้เกี่ยวข้องด้วยถ้าเป็นกิริยาไม่มีกิเลสมันจะไม่มีกรรมตามมาต่อจิตใ จ, จผู้กระทานั้นมีคำถามพมางไหมคำถามจากทาง youtube นะคะจากคุณจงแจงเวลาโยมเห็นต่างชาติคุยธรรมะกับพระอาจารย์แล้วรู้สึกยินดีว่าเขาถามได้ลึกซึ้งและสนใจปฏิบัติจริงๆเอาจริง อันนี้ส่วนใหญ่เป็นธรรมชาตินิสัยของเขาหรือการอบรมสั่งสอนของสังคมเขาหรือเปล่าคะต่างชาติเขามีการศึกษาที่กว้างไกลกับเราสังคมเขาจะเน้นเรื่องการศึกษาอย่างทุกคนจะศึกษากันแล้วมาศึกษาเขาก็จะรู้ว่าถ้าอยากจะมีความรู้อยากจะรู้อะไรก็ต้องไปค้นคว้าหากันเขามีห้องสมุดกันสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ห้องสมุดก็มาใส่ในมือถือแล้วอยู่ในอินเทอร์เน็ต อยากจะรู้อะไรก็สามารถค้นคว้าได้เจ้าต่างชาติก็ถึงเจาะเข้าไปถึงแก่นของศาสนา <c oughs> พวกเรามันอยู่ใกล้เกลื่อยกินด่างกันขี้เกียจที่ไปศึกษาเอาแค่เขาสอนให้ทําอะไรก็ทําไปโดยที่ไม่รู้ว่าทํานี้มีเหตุผลกฎไกอย่างใดทําแล้วจะได้รับอะไรเพียงแต่ว่าทําบุญก็ดีทําไปทําบาปไม่ดีก็อย่าทําไปก็รู้แค่นั้นเราไม่รู้แบบลึกซึ้งเพราะเราไม่สนใจ เราไปสนใจทางโลกมากกว่าเรากิเลสของเรามันมีกำลังมากกว่าแต่พวกทางที่เขาอยู่ต่างประเทศเขาอยู่กับวัตถุมานานเขาอยู่กับความเจริญทางโลกมานานแล้วเขาเห็นว่ามันไม่ได้ตอบความต้องการของเราคือความความสุขใจขแม้เขาจะรวยด้วยวัตถุข้าวของเงินทองแต่ใจเขายัางร้อนอยังวุ่นวายอยู่ พอเขาได้ยินได้ฟังว่าศาสนาพุทธนี้จะทำให้ใจเย็นใจสบายเขาก็เลยยินดีสนใจที่จะศึกษาเขาก็ค้นคว้าหาอ่านเขาก็จะเกิดความเข้าใจลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้คำถามจากทางเฟ e บุ๊กค่ะจากคุณเล t โกกราบนรมัส ก, การพระอาจารย์ครับอยากให้พระอาจารย์สอนวิปสัสสนา วิปัสสนากรรมฐานให้ครับกลัวทำผิดวิธีครับก็นี่แหละที่สอนนี่เป็นวิปัสสนาทั้งนั้นเนให้มองทุกอย่างว่าเป็นตายรัก็เป็นวิปัสสนาแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างไม่ใช่ของเราเนี่ยวิปัสสนาทุกเพราะเราอยากให้มันเที่ยงอยากให้เป็นของเราพอมันไม่เป็นของเราก็เสียใจพอแฟนจากเราไปก็เสียใจไปเป็นของคนอื่นเราก็เสียใจแล้วเพราะเราไปคิดว่าเขาเป็นของเราพอเขาไม่เป็นของเราเราก็เสียใจ เราต้องสอนใจว่าแฟนไม่ใช่เป็นของเราเขาอาจจะอยู่กับเราวันนี้พรุ่งนี้ก็อาจจะไปอยู่กับคนอื่นก็ได้ถ้าคิดอย่างนี้เวลาเขาไปเราก็จะไม่เสียใจเพราะเรามันจะไม่มีความอยากให้เขาเป็นของเราไปตลอดเป็นแค่เขาขณะที่เขาอยู่ถ้าเขาอยู่กับเราก็เป็นของเราถ้าเขาไม่อยู่กับเราก็แสดงว่าเขาไม่เป็นของเราก็เท่านั้นเองแต่เราไม่ยอมมองกันไม่ยอมคิดกัน พออยากอะไรแล้วอยากจะให้เป็นของเราไปตล อ, ไตลอดไม่มีวันจากกันพอถึงเวลาจากกันก็ร้องห่มร้องไห้กันเนี่ยไม่มีวิปัสสนาถ้ามีวิปัสสนาแล้วจะไม่ทุกข์จะไม่ร้องห่มร้องไห้จะเห็นว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปห้ามไม่ได้บังคับก็ไม่ได้เก็บไว้เป็นของเราไปตลอดไม่ได้เ <c oughs> นี่ยวิปัสสนาแล้วเนี่ยจะมีแค่นี้แหละวิปัสสนา อ่าจริงๆสรุปอยู่ที่สามคำนี่อานิจจังทุกขังอนัตตาถ้าเข้าใจคําว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาก็ถือว่าเรามีวิปัสสนาแล้วอยู่ที่จะทําได้หรือเปล่าเท่านั้นเองหมดแล้วยังยังไม่มีเลยโอเคเหลืออีกสี่นาทีนะคับนแต่ก่อนที่เราจะมาวิปัสสนาได้เราต้องมีเครื่องมือ ที่จะควบคุมใจให้ยอมรับวิปัสนาอันนี้ใจเราไม่ยอมรับความจริงกันใจเรามีความอยากเราชอบความอยากเราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่ไปดูว่าความจริงมันเป็นยังไงอยากให้มันเที่ยงไม่ได้อะไรมานี <cart> like. ่อยากใชะให้มันอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแต่ความจริงมันไม่มีเราจะอยู่กับเราไปตลอดเป็นของเราไปตลอดแต่เราก็ไม่ยอมรับความจริงอันนี้ แล้วพอถึงเวลาที่ต้องพัดภาคจากกันก็ร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจขึ้นมาเพราะเราไม่มีเครื่องมือที่จะบังคับใจให้มันยอมรับเครื่องมือที่จะทําให้ใจบังคับก็ยอมรับความจริงก็คืออุบเบกขาให้ใจรักสักแต่ว่ารู้เฉยๆไปรู้ว่าเขามารู้ว่าเขาไปอย่าไปอยากให้เขามาหรืออย่าไปอยากให้เขาไปปล่อยให้เขามาปล่อยให้เขาไปตามเรื่องของเขา เราปล่อยไม่ได้เรายังมีความอยากควบคุมบังคับเขาอยู่ของที่เราชอบก็อยากจะให้เขามาของที่เราไม่ชอบก็อยากจะให้เขาไปแต่บางเราอยู่ในโลกที่เราควบคุมบังคับของต่างๆไม่ได้บางทีของที่เราไม่ชอบมันก็มาบางทีของที่เราชอบมันก็ไปันถ้าเราทำใจเฉยๆได้เราก็จะไม่เดือดร้อนกับการมาการไปกับของต่างๆตอนนี้เราไม่มีเครื่องมือที่จะมาใช้กับวิปัสสนา เราต้องสร้างเครื่องมือคู่เบกขาอุเบกข า, าก็เกิดจากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบสมาธิใจจะสงบก็ต้องเกิดจากการมีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดเราต้องกลับมาที่สติมีสติก็จะนั่งสมาธิได้นั่งสมาธิจิตสงบก็ได้อุเบกขาพอมีอุเบกขาแล้วทีนี้เราก็ไปใช้กับวิปัสสนาได้อะไรมาก็เฉยอะไรไปก็เฉย ไม่เดือดร้อนกับการมากับการไปของใครไม่ว่าจะดีแล้วไม่ดีอยู่กับมันได้รับมันได้ไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์กับมันเนี่ยทำไมเราจึงต้องมีสมาธิมีอุเบกขาก่อนก่อนที่เราจะไปวิปัสสนาได้ถ้าไม่เช่นนั้นถึงแม้จะรู้ว่ามันมันมาแล้วไปแต่ใจมันไม่ยอมอะของที่อะไรที่มันมามันดีมันอยากจะเก็บมันไว้อย่างเดียวไม่อยากให้มันไปแอ้ของที่ไม่ดีมานี่อยากจะให้มันหายไปเร็วๆมันก็ไม่หายอย่างนี้ พอไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่หายไม่ได้ดังใจใจก็ทุกข์ขึ้นมาเท่านั้นเองพวกที่มีปัญญาแล้วคิดว่าใช้ปัญญาได้เนมนโดยที่ไม่มีอุบเบกขานี่อย่าไปอย่าไปใช้เสียเวลาเลยใช้ไม่ได้หรอกเข้าใจไหมดีอีกไหมคำถามดีนะ่าจะเป็นคําถามที่าอาจารย์เพิ่งตอบไปค่ะคุณกระบันถามว่าทุกอย่างเป็นสมมุติทั้งนั้นทํายังไงให้หลุจักสมมุติก็เข้าใจว่ามันเป็นสมมติเนี่ยมันเป็นของปลอมเป็นของชั่วคราว มีเกิดมีดับมีมามีไปเราอยู่ของจริงของจริงก็คือใจที่สงบที่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องมีอะไรอันนี้แหละคือของจริง น, นมาฝึกสติมาฝึกสมาธิกันแล้วจะได้ของจริงแล้วจะได้ไปปล่อยของปลอมได้ตอนนี้เราไม่เอาของจริงเราชอบไปเอาของปลอมเพราะของปลอมเปลี่ยนไปหมดไปเราก็เศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กัน เรามาหาของจริงกันด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิด้วยการทําใจให้สงบให้เป็นอุเบกขาแล้วเราจะได้พบของจริงคือความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงและเป็นความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด